ฟังท ร, รมะออกฉากคำพูดให้เป็นการกระทาสอนให้ทรรมพูดให้ทรรมฟังแล้ ว, ลลวออ ร, รู้แล้วออกไปทาเ้าไม่ทุละถ้าไม่งานถ้าไม่เสร็จถ้าไม่ทามันก็ไม่เสร็จ ในการทำงานเกี่ยวกับพิตของเราเรียกว่าธุละกาถทาธุละวิปัจนาธุละมันจะเสร็จถ้ามันอื่นไม่เสร็จม่ธุละสองอย่างนี้คันถาธุละไม่รู้ไม่ขี้ไม่ได้ต้องรู้ต้องขี้ ถ้าไม่โูภไม่ชีนั่นก็ไปไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้เห็นว่ายตายเกิดเกิดเจ็บเจบตายอยู่เกิดดับเกิดดับเกิดชกเกทุกข์เกิดโกเกิดโลภเกิหลงเกิดชเลตัณหาลคะเกิดพอใจไม่พอใจ เกิดเจียงขยันเกิดอยู่เป็นภพเป็นชาติอยู่วิปัสจจนาทุละทำให้มันเส็จถ้ามันหลงให้มันรู้เส็จไปที่ว่าวิปัสจจนาทุละสิ่งที่ผิดทำให้มันไม่ผิดสิ่งที่มันทุกทำให้มันไม่ทุก รู้แล้วว่ามันไม่ถูกความผิดไม่ถูกความทุกข์ไม่ถูกความโกรธไม่ถูกความโลภโกรหลงไม่ถูกความไม่ทุกความไม่หลงความไม่โกรธจึงถูกและนี่มันรู้รู้แล้วต้องทำให้เป็นนี่ว่าวิปัสสนาทุละให้มันพ้นไป เป็คือวิเศษพ้นไปอย่างวิเศษธุระอันที่ทาให้การบุดพ่นอย่างวิเศษคือวิปัสนาธุระปฏิเสธไม่ได้ทุกคนมีการมีงานถ้ายังมีหลงก็หรือว่ามีงานทำถ้ายังมีโกรธหรือว่ามีงานทำถ้ายังมีทุกข์มีความพอใจไม่พอใจหรือว่าเรามีงาน อย่ามันยุ่งเหยิงอย่ายมันข้างคาอยู่มันก็เสียชิไอ้มันเฉดไปชาเรียกว่าวิปัญนาทุละเยกว่าปฏิเวิ ปฏิบัติปลียัดปฏิเวทปฏิบัติคือวิประจาธุลาปลียัดคือลูกปฏิเวทคือทำให้มันเฉดพ้นแล้วให้มันหลุดพ้นแล้วอะไรที่ทาให้อะไรที่มันพ้นไปเราก็รู้มันพ้นไปจริงๆริงไม่ต้องไม่ท้องทออีก ความหลงพ้นไปแล้วความทุกข์พ้นไปแล้วความโกรธพ้นไปแล้วอย่างนี้เรียกว่างานของเราก็ยังโกรธอยู่เราเออเรามีงานทําอยู่รีบทําสนใจอันนี้ยังอยู่อันนี้ก็ยังอยู่นั้นเรามีภาละการงานอันอื่น อะไรที่ยังไม่ทำที่อยู่ในบ้านในเรือนเราที่อยู่ในเครื่องใช้ไม่สอยเป็นปัจจัยที่อาศัยไม่มีชิ่งใดหาให้มันมีจิ่งใดที่มันหายไปเร็วหามันขึ้นมาจิ่งไดที่มันเสพรู้จดโฉมช่มแฉะมดีขึ้นนี่หรือว่ามันยังมีงานทำอยู่แบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเจอผ้าแมม ไม่สะอาดชักให้มันสะอาดตื่นขึ้นมาก็ทำทุละล้าหน้าแปรงพันตาแป้งแต่งตัวแต่งนุ่กเชื้อหนุผ้านุ่งผ้าใหม่เป็นประลิหมุนทนนุ่งมาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ต้องนุ่งใหม่ทุกวันยังใหุ้ลุยสุลาย นี่เราว่าทุลักมันเปิดมอนตืนก็ซักมันเหม็นชาบเหม็นเขาก็ซักใจให้เป็นจินค่แล้วต้องแปลงผ่นวันเราก็เหมือนภาชนะเหมือนถ้วยเหมือนชามที่ใส่อาหารชามถ้าใส่แล้วไม่ล้างนันก็บักหมุต้องล้าง มือก็เหมือนกันนี่ด้วุละการงานของเราที่มันเป็นงานอาศัยเรี่กว่ามหาภูต์ตัลูกเป็นรูปอาศัยแต่อุปทายลูกเป็นรูปที่ต้องไม่ต้องอาศัยทิ้งไปเลยสําคัญว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรามันเป็นพพเป็นชาติ เราให้มันหมดไปคุ้มกาเนิดให้มันหมดไปจนรูปต้องอาศัยนี้ก็ต้องต้องให้มันพอใช้ได้ต้องแทนบ้างถ้ะมันจะรูุ้ดชมอย่างลตาเวลานี้ก็ซ่อมแทมเพื่อจะได้ช่วยมัน ใช่มากก็ไม่ค่อยจะได้โดยทำงานอยู่สองวันสามวันต้องหมดแรงมากนกันนแต่ก็ทำมันก็ได้ประโยชน์หนึ่งล้ะก็ต้องได้ลดวความน้ำหนักลงสักหน่อย่อไหลนี่ก็ต้องทำมาก นั่นกรรมฐานนี่จําเป็นที่ปัจจนาทุละคันธาทุละเนี่ยจําเป็นมากอย่าสละสิทิมันหลงเรามีสิทธ์ไม่หลงแกสละตรงนี้มันทุกข์เรามีสิทธ์ไม่ทุกข์มันโกรธเรามีสิทธ์ไม่โกรธมีปัญหาเราต้องมีปัญญา เราต้องอย่าโยมอย่าสลาชิดสนใจให้ดีๆเอาไปทำไปเล่นเหมือนลงสนามเล่นแทนเป็นบางทีมาลูกตายเหมือนเล่นกีฬาเล่นปักะกกอเล่นฟุตบอลมันมาลูกตายคนอื่นส่งมาให้เราเพื่อจะให้เราตาย พวเขาจะได้ชนะเรต้องแก้รู้ตายให้ได้ให้เหมือนเป็นเล่นให้เป็นลงสนามให้เป็นไม่ใช่เรามาลู่แต่คิดษฎีปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็ใช่ไม่ได้นนลแล้วก็รู้แล้วนี่ก็รู้แล้วแต่ทําไม่เป็นการทำมันง่ายขวดลู่โดยช่ำไป มันไม่ต้องรู้ก็ได้อความโกรธไม่ดีความทุกข์ไม่ดีความมันโกรธก็มันก็ไม่ดีจริงๆความทุกข์ก็ไม่ดีจริงๆอันมันไม่ทุกข์ก็ดีกว่าอันไม่เมิโกรธก็ดีกว่าอันเกิดก็ไม่ดีจริงๆก็ไม่เกิดก็ดีช่วงความแก่ก็ไม่ดีความเจ็บก็ไม่ดีความตายก็ไม่ดีมันมีดีกว่านั้น อย่าไปจนมีสิทธิถ้ามันมีอันนี้ให้มันเกิดอังนี้ขึ้นมาก็สนใจว่าอย่าทิ้งคว้างไว้เป็นหอกแข้งแค่มันเกิดตหนิมตหนิมมก็จินเหล็กได้ในทุกมันก็จินทุกต่อไปทุกเพิ่มขึ้น ใ้ความโกรธก็มีความโกรธเพิ่มขึ้นเป็นดินพาะหงอหมูในกิเลสอห้งหก็มีเพิ่มขึ้นใน<ม>ประมาทในโสนใจอันหลงที่ได้โสนใจมันสะดุดอนบ้านเราเดินอยู่ในบ้านมันสะดุดตะปูมันถอนขึ้นมาอย่าอย่าทิ้งไว้ ทำให้มันดีกว่าเก่ามันหลงทำให้ไม่หลงให้มันดีจะได้สะดวกาการใช้ชีวิต่ะเป็นอุปทานจะลูกไปยึดไว้บางคนไม่แก้ไขชอบยึดไว้ยอมละความชังความเฉาเมียดเวียนยึดไว้ มันก็สะดุดอยู่ตลอดเวลาเจ็บปวดเองเศ้าหวองเองหน้าจึงสูญใจสูญใจเราแค่ไขแล้วก็ทำได้สิ่งที่มันสะดุดเกี่ยวกับอารมอาการต่างๆนี่มันทำได้บางอย่างก็ก็ เป็นธรรมดาธรรมธรรมชาติธรรมดาหน้าที่ธรรมชาติกฎธรรมชาติือวาธรรมะริงสิ่งที่เป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมดาเ็ามีความเกลี่ยเป็นธรรมดาอันนั้นเป็นธรรมดา ไม่ต้องไปทุกขว่าธท ร, รมดาอย่าเอาหาเห็นนะผลเ<ล>ึ่นถามว่าหน่ไม้ทำไมจึงดันดินขึ้นมาได้เพราะยอดมันแหลมเห็ดตะปูทำไมมันพุ่นดินมาได้มันไม่มียอด ตอบยังไงมันก็ไม่ถูกมันก็ธรรมดามันไม่ใช่ไม่ใช่คํำตอบอะไรทั้งทั้งหมดได้ร็เก็บเป็นดาํามดามีความเก็บไข่ธรรมดามีความตายเป็นธรามดานั้นม่ให้ธรรมดาเป็นไม่ใช่กฎของธรรมชาติหมาที่ธรรมชาติ ธรรมดาธรรมธรรมชาติกฎธรรมชาติมันต่างกันกฎธรรมชาติไปทำอะไรมาจึงเป็นอะไรไปใช้ชีวิตอย่างไรมามันจึงมีทุกข์มีทษนี่ว่ากฎธรรมชาติอันเหตุมันมีนะเก็บไข้รีบป่วยวันนี้มันมาจากวันก่อน ความหลงวันนี่มาจากวันหลงวันก่อนความทุกข์มันนี่มาจากความทุกข์มันก่อนความโกรธมันนี่มาจากความโกรธมันก่อนก่อนไม่ได้แก่อันจึงมีกฎธรรมชาติส่งผลมารับผลของกรรมอยู่ตลอดมันเปลี่ยนได้ปอนที่เปิดได้ให้ผลได้อันที่มันเป็นธรรมะ มันเป็นหน้าที่ของธรรมะปฏิบัติธรรมะกฎของธรรมชาติอันอื่นเพราะมันไม่รู้มันจึงเรียกว่าอาวิชชาธรรมะเกิดสังขารเพราะมีสังขารธรั้งเกิดนามรูปเพราะมีนามรูปจึงเกิดอายตนะเพราะมีอายตนะจึงเกิดผัสจะเพราะมีผัสจัตจึงเกิดเวทนา เพราะมีเบตานั้นเกิดตัณหาเพราะมีตาเคิถูปทานเพราะอุปทานจึงมีจึงเกิดพบกดชาติเพรชาติมีจึงมีชะลาวรณะตายในมันไม่ไปทางนั้นเลยว่ากฎธรรมชาติธรรมชาติอันหนึ่งคือเพราะเพราะมีวิชา ยังไม่มีนามยังไม่มีสังขารสังขารไม่มีนามรูปบังมีอายตระไม่มีพระเจ้าไม่มีวิทนาไม่มีตระหนัมไม่อุทานไม่มีภพชาติไม่มีจบมันนี่ว่ากฎแบบนี้เหมือนกันโตเรื่องนี้มีเรื่องนี้เก็จึงมีถ้าเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้จึงไม่มีนี่ว่าธรรมเป็นกฎธรรมชาติทำเอาไม่ใช่โยมรับ มันช่ยอมรับความหลงความโกรธความทุกข์ทิเลือปัญหาไม่ใช่ไปยอมรับมันเปลี่ยนได้อยู่มันต้อง ด, ด้นมาจากอะไรอย่างที่พูดแล้วพูดอีกมันมีกรรมไม่กิเลสไม่วิบากกรรมกันกะระทำเมืม่อท้องในก็ติดถึงนั้น บางคนก็พอใจในความโกรธพอใจในความทุกข์ถ้าได้โกรธก็พอใจไม่ค่อยจะลืมถ้าได้ทุกข์ก็ลำดับลำนานเพื่อเกิดทุกข์ยึดไม่เป็นอุปทานเป็นอุปทานจะลูกมาลงโทษไอ้อันทีก็หลงถ้าเราไม่หัดมันก็ทำให้เป็น เล่นไม่เป็นเวลาฟังคนอื่นบอกคนอื่นสอนคนอื่นแนะนำแล้วเอาไปทำเหมือนกับฝึกโ้อมการฝึกโ้อมในมันมันยังใช่ไม่ได้แต่เอาไปทำได้ลงสนามสนามลบ บางทีถ้าฝึกไม่เก่งไม่เก่งในาภาคฝึกภาคสนามก็แพ้อย่างพระพุทธเจ้า ว, ว่าตายในตายโนกสนามตายในสนามทหารเนี่ยมีนักลบนักลบตายโนกสนามตายในสนามลร ช น, นะในสนามลบฉันได้พิสูจทั้งหลายพิสูจบางรูปได้นอกสนามคือได้ยินว่าเสางามอยู่เมือง น, นั้นเมือง น, นี้สวยก็หวั่นไหวเช้นแล้วหญิงได้ยินว่าชายงามอยู่ที่นั่นที่นี่ก็หวั่นไหวเช่นแล้ว อ้ายแพ้แล้วฝันจนแล้วในความฝันถึงสาวงามชายงามเตอยอมแพ้แพ้แล้วเกิดคิดเละตัณหาหลาคะเกิดอยากยึดไว้ถือว่าอยากได้มาเป็นหัวเป็นเมียเป็นนางสิริมาพร้วสงก็ชอบกันเกือบทุกลูกเพราะสวยงาม ได้เห็นว่าสิริมาก็หวนไหวเห็นหน้าทีเดีก็าระเนตรระนาดไปพระหนมพระแจกทีมันเกิด <c oughs> อ่าได้ยินี้ว่าตายในสนามตายนอกสนามเหมือนพิกสุทั้งหลยนักรบทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เวลาจะเข้าสนามรบ <c oughs> <c oughs> เห็นฝ <c oughs> ุ่ง เห็นฝุ่นในสนามรบคุ้งขึ้นเสียงปืนเสียงลูกศรเสียงดาบสนามรบเห็นฝุ่นได้ยินเสียงเสียงทหารดองตื่นก็กลัวแล้วไม่สู้แล้วเรียก ว, ว่ายอมแพ้แล้วไม่เข้าสนามรบียงได้ยินก็ ยังได้เห็นก็กลัวแล้วหมดแล้วเกิดหลคะยิ่เด่ตันหาขึา้นแล้วยังไม่ลบชั่วหน่อยหรอกทิ่สูบบางลบท่านก็บางลบ น, นักลบบางคนลบมันมาถึงลบเข้าส น, นามลบตกลูกศอนยิงมาอะไรเหมือนจ้างศึกพระราชาถูกลูกศอนตกไหลสูลาา้ นักลบบางคนทหารบางคนสู้ลบบ่อยอเจ็บปวดว่างวานทีก็เจ็บมากๆก็ยมตายในสนามสู้ไม่ได้เกิดลากละเสียบแทงขึ้นมาต้องโยมแพ้แันใดภิกษุทั้งหลายทหารนักลบบางคนชนะในสนาม ชนะในสนามเลยเมื่อครุบบ้องคนไม่หวั่นไหวถูกลูกสอนถูกถูกเซลถูกกระปใบถูกโจงตีถูกร้อมรอบไม่กลัวเลยสู้ไม่หวั่นไหวได้ว่าชนะในสนามจึงเขียนไว้ที่คนขี่เสือว่าชิตังเมนะชนะในสนามชนะในสนามลก ได้ลบดูแล้วลบตูแล้วลบกับกิเลสตัณหาราคะตูแล้วชนะได้เลยแล้วว่าชิตังเมชนะแล้วโอ้ยชนะแล้วโอยนี่ยนี่เราว่าลบให้เป็นเล่นให้เป็นนั้นมีอยู่มีงานอยู่แต่เล่นไม่เป็นก็แพ้โมกสนามแพ้ในสนามจะเล่นเป็นก็ชนะในสนาม มันก็มีอยู่เกิดขึ้นกับเราได้มัเป็นธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ฉลดโลกเราจะยอมรอับอย่างนั้นไม่ได้หลงก็ได้โกรธก็ได้ทุกข์ก็ได้เกิดอะไรขึ้นก็ยอมเราทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นักลุก มมกเรานี้เป็นนักลุกให้มันชัดได้าเรามันห ล, ลุลหแล้วเรียกว่าประตูชัยมีแล้วเรามรรทุกรู้ขึ้นมาเปลี่ยนทุกไม่ทุกมีประตูชัยแล้วเราประตูได้แล้วทุกเป็นทุกยังไม่เข้าประตูเลยแต่เมา่อผลผ่านเหมือนกับประตู เราเล่นลราเข้าประตูให้ได้เพื่อควมหลุดพ้นวิมุตต์พวกเราที่ปฏิบัติทั้งมีศาสนาไม่ใช่เพื่อลาบจักรละเฉงเสรินเยนยอไม่ใช่หมู่มิตรเพื่อพ่องมลิวานเพื่ออะไรเพื่อวิมุตตคือหลุดพ้นถึงแล้วจุดหมายปลายทางผ่านไปแล้วผ่านมาแล้ว เล่ น, เ, ลนเป็นแล้วเป็นเธอเป็นอืาอะไรกิฬานักนกิฬาก็ถือว่าระดับโลกเรานี่ก็เป็ น, เ, ปนเหมือนกับพูดเจ้าลู้แจ้งโลกโลกกวิถูเป็นผู้ลู้แจ้งโลกคือกายอยาันกวงโศกจาว่าหนาคืบนี้มีสัญญามีจิตใจ มันมีทุกข์ก็อยู่ที่นี่ความดักทุกข์อยู่ที่นี่เหตุเกิดทุกข์อยู่ที่นี่พร้อมแล้วมีความเกิดก็มีความไม่เกิดมีความเจกก็มีความไม่เจมีความเจ็บก็มีความไม่เจ็บมีความตายก็มีความไม่ตายเล่ให้เป็นเล่นให้เป็นไม่ต้องเก็บพวกมเก็บไม่ต้องทุกข์พร้อมทุกข์ จนได้ใช้ช น, นะไม่ต้องว่าคิดต้องเมก็ได้ไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างนี้ก็อันเดียวกันไม่เป็นอะไรกับอะไรนี้ว่าสูงสุดแล้วในโลกนี้จะมีอะไรที่มันมีปัญหาก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรเราจึงมาฝึกอันนี้ไม่มีวิธีใดที่ต้อง เข้าถึงประตูได้แบบนี้นูกรรมฐานที่ว่าขันตุละวิปัสสุละวิปัจนาทุละเนมันเป็นศักดิ์สิทธิ์จริงๆทำได้จริงๆเป็นมนุษย์สมบัติของเราจริงๆนะที่เรากำหนดกรรมฐานเข้มทีสิบวันอันนี้เป็นสมมติบัญญัติ ไม่ใย่ปรมารจักรปรม า, ารจักรต้องทุทุกเวลามีงานถ้ามันหลงดูงานของเราที่เรามาสมมุติบัญญัติเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ทิศทางได้แผนที่เหมือนเข้าเรียนในสถาบันเอาไปใช้วิวัฒนาขึ้นคำสอนของครูอาจารย์เป็นของท่านแต่ให้เป็นของเรา คำสอนพระเจ้าแต่เอามาเป็นของเราคำพูดของพระเจ้าเป็นเรื่องของเราอะไรก็เหมือนกันง่อมมาใส่เราง่อมเราเข้าไปหะเราเห็นอะไรที่เวลาเรา อยู่ในภาคสนามไปที่บัวิปัญญาทุลันี่ไปทางเดียวกันกับพระเจ้าเหมือนเช่นนั้นเหมือนตามรอยพระบาทจริงๆเวลาเรารู้สึกตัวพระเจ้าก็อยู่เฉพาะเบื้องหน้านี้แล้วแต่เราหลงก็เหมือนกับพระเจ้าโบกมือสวยสวยมาทางนี้เหมือนมักลุ สมัยต้มนิดอนรอยยี่สิบสิบเก้ายี่สิบสิบแปดสิบเก้าสิบหกสิบเจ็ดเียสิบแปดเียมีหลานคนหนึ่งเป็นต่อชดโดไปโลกที่คูหินลงก้าภูขี้เท่าและ ว, วาง เพชรโบนอุตลิดไม่ใช่อุตลิดหรือพิจิตกิล่องก็โพชิเทาาหารกรมนิดล่องไม่ได้กินข้าวยินน้ำก็อล่องออกไปไหนไม่ได้ตัวตีล่องว่ไ ป, ไปล้องว่าไ ป, ไปออกไปได้เลย หมดวัญญาคนที่นอกก็ช่วยไม่ได้อ็เลยพก็ชอบแผ่นดินขึ้นขีหองโบกทงสวยๆประกาศลงไปออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ทางนี้แตกไปแล้วตีได้แล้วออกมาทางนี้โบกทงเลี้ยงมาทางนี้มาทางนี้ตีออกมาทางนี้ ทางนี้ก็ตีเรื่องพิ่มขึ้นเขตีกันแล้วพวกอยู่ทางนี้พวกล้อมหนีไปหมดแล้วก็จายตายไปหมดแล้วหลายคนแล้วมาทางนี้มาทางนี้ทหารที่คอมนิตล้อมไว้เห็นว่าได้ประกาศได้ยินว่าเออทางนี้คนไปหมดแล้วหรือตจะเราคนเรวิ่งหนีไปเลย <laughs> เปิดทางให้เลย <laughs> จิตแตะวิทยาเออดีเขาบอกว่าในข่าวบอกว่า โบกมือสวยสวยโบกทองชาติปิวอยู่ทางนี้ทางนี้ออกมาทางนี้ตอนนี้ตีออกได้แล้วทั้งทั้งที่เขายังไม่ตีเลยลเนี่อพวกนี้ก็นู้ว่าอู้เขาตีได้แล้วพวกเราหนีกันหมดเราเรายังไม่หนีกับเข า, เาวิ่งหนีจะเปิดทางออกไปทหารพวกตำรวตจตอชะเราออกมาตีออกมาได้ไม่ได้ตีเลยเขาเปียกทางให้ เราอยู่เฉพาะพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราเลยแล้วถ้าเราหลงเหมือนกับพระเจ้าเรียกอยู่ไม่หลงก็ได้มาทางนี้มีกำมังใจนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนหะมือนกับพระเจ้าช่วยเหลือมีสติสัมชัญญารู้ตื่นขึ้นม า, าแล้วพอเราเห็นความหลงเห็นความง่วง โอ้ยพุทธเจ้าก็ไปทางนี่แหละเห็นความคิดฟ้องจานโอ้พุทธเจ้าไปทางนี้อเห็นกรรมลรรคาปฏิกะโอ้พุทธเจ้าก็ไปทาง น, น, าาางนี้ผ่านนี้เหมือนกันไม่ใช่ไห ม, มใครไม่มีใครผ่านทางเช่นนี้ไม่ใช่เราคนเดียวเรานั่งง่วงอยู่โอ้ยคนก็ผ่านตรงนี้เลยวะครูเขาลูกแรกถ้าเดินทางต้องผ่านนี้แน่นอน ไม่ใช่เฉพาะเราดอกใครก็ผ่านเหมือนกันปวด ว, ว่าขวางว่างหอห อ, น, อ, น, เ น, น, เอนเกิดขึ้นกับเราขวางคิดฟ้งจ้านเกิด ข, ขึ้นกับเราไยบาดเกิดขึ้นกับเราอะไรที่มันเกิดขึ้นขวงไว้ใครก็ผ่านตรงนี้แหละเปลี่ยนกลับมาโดยหลักกรรมฐานนี้ การคู่ฉข น, นเข้าก่อนเหยียดขนออกในวันเพ็ญนดินหกวงอยู่ตรงนี้้นจงกงเดินก็ไปกลับมาหายใจเข้าหายใจออกก็ับมาได้เปลี่ยนได้ปฏิบัติคือเปลี่ยนแล้วมา ง, ง่วงก็เปลี่ยนหามรรลกหาวิธีการยเยอะแยะไปเลย มีอะไรเยอะแยะมาเปลี่ยนง่วงให้เป็นรูปคือตัวขึ้นมาได้ตัวที่ง่วงมากที่สุดคือโมกคือหมกขันลาศง่วงพระเจ้าก็สอนวิธีให้ตัวพูดให้ฟังแล้วไม่ถึงขนาดนั่นก็ได้นะล้วก็รู้แลวว่านี่คือง่วง อันกวรมง่วงกว็มีนก็ผ่านไปทางนี้ตุเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านี้แล้วมีอะไรเกิดขื้อเราเหมือนกันหมดตามัลักษณะเหมือนกันยิ่งจะใจมากกว่าเราด้วยพระชิทธทะสมัยออกบวชใหม่ดาหูนก็เกิดใหม่ ติมภาก็ลักสิทธทัตตาพราชวังประชาสามรดูพระเจ้าจากักรพรรดิตั้งไม้ตั้งอ่านตาอยู่ชดาเฮ็ดเกียก์แก้วมงกุฎประดับเพชรจันอมกำนันนาย บริวารนัช ล, ลดมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยดูซิจะขนาดไหนต้องเปรียบเทียบมากกว่ า, าลงนะแพระองค์ก็เอาตัวนี้กรรมฐานเนี่ยในวันเพ็ญเดือนหกนะมีเท่านี้วิธีนั่งายกลับมาเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิดถึงพิมพา นำมาฝึกกรรมฐานรู้ทีนี่กลับมาคิดถึงละหุนกลับมาคิดถึงประจัฉันรู้กลับมารู้ผวมคิดเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาเปลี่ยนมากลับมาปฏิบัติคือกลับมาได้อเนี่ยไปกลัวทําไมไปก็ผ่านนี่เหมือนกัน ให้ทุกเป็นทุกทำไมยให้โกรธเป็นโกรธทำไม่ไม่เหมือนกันมีจิดต์ตัณหาเหมือนกันหมดไม่ต้องไปอ้างเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นพระหนุม่มเราเป็นไม่ช่หนุม่มเราเป็นผู้ปางกลางเราเป็นคนแก่เอาอ้างคนลักษณะคนแก่อ้างแบบคนแก่คนหนุ่มก็อ้างแบบคนหนุม่ม บางทีก็อ้างกันไปแต่เพืพ่อเือว่าท่านเป็นพระเราเป็นโยมพระต้องไม่กลัวผีผีก็ไม่กลัวผีกลัวพระผีไม่กลัวโยมอันนี้อ้างไม่ใช่อพระพร ะ, ะ, ะท่านก็ผีกลัวแค่แล้วท่านไม่เป็นไรเรามันเป็นโทนผีไม่กลัวนคิดไปต่างๆกันสมมุติบัญญัติขึ้นมาเอง ไม่เหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกันทั้งหมดอย่าอย่าไปสมมติบัญญัติให้เขาดีกว่าเราให้เราเร็วกว่าเขาเป็นอุปทานแบบหนึ่งสำคัญว่าเร็วกว่าเขาเขาดีกว่าเราสำคัญว่าเราดีกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราสำคัญว่าเราเสมอเขาเขาเสมอเราไม่ใช่เลยอย่ามีอุปทานแบบนั้นเป็นธรรมชาติ แลนี่นี่นี่คือมาฝึกฝึกซ้อมเหมือนครูซ้อมวิชาให้ล้วไปเล่นให้เป็นถ้าซ้อมแล้ ว, ลวเล่นมันก็ไม่เก่งไม่ชำนาญแล้วไปเล่นมันหลเกิดขึ้น่ะมันคิดมันหลงหูู ชอบอบอะไรล้วต้องไปปรงฉนามมันหลงรู้มันทุกข์รู้มันโกรธรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีหลับอยู่นี่แต่ว่าวิปัจนาทุลละมันเป็นจักฉิดแบบนี้จึงพากันเอาไปเล่นไปเล่นมีรถมีชาติ ด, ดี บางทีเราแปลว่าได้ไม่ได้ถ้าพูดฝังหลงตาพูดเหลาง่ายไปทํำลามันยากไปเอายากไปเอง่ายทําไมให้เห็นมันเฉยๆเนี่ยเดไปยากเออทำยากเลือเกินไม่เอาไม่เอายากให้รู้เฉยๆคําว่ายากคําว่าง่ายไม่มีคําว่าผิดว่าถูกไม่มีมีแต่รู้ ไม่จะรู้อะไรที่มันผิดก็รู้อะไรที่มันถูกก็รู้อะไรมันทุกข์ก็รู้อะไรมันสุก็รู้ความยากความง่ายไม่มีความผิดความถูกไม่มีมีแต่ภาวะที่รู้นี่แหละคือทางถ้าผิดไม่ใช่ทางถ้าถูกก็ไม่ใช่ทางถ้ายากก็ไม่ใช่ทางถ้าง่ายก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทาง ต้องรู้รู้ไปเป็นมรมรคือดูคือเห็นให้เห็นมันยากหเห็นมันง่ายอย่าเป็นผู้ยากเป็นผู้ง่ายให่เป็นผู้ผิดอย่าเป็นผู้ถูกให้เห็นเห็นแล้วอย่าไปเป็นนี่คือดูคือรู้มันจะเป็นอย่างนี้หน้ <c oughs> าว่าที่รูปเอาไหมเชนี่พอไหม ก็มีเท่านี้หลวงตาองค์เนี่ยไม่มีวิธีใดอื่นไม่มีไม่มีอะไรอีกแล้วการสองก็มีเท่านี้กรรมฐานนิระตากรรมฐานเนี่ยอ๋อสมควรเจเวลา